พวกเราต้องประสานสมัคคีกันให้ได้นะออจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมความแตกสมัคคีกันจัดว่าเป็นบุคคลไม่รู้ธรรมผู้รู้ธรรมมาคาสองอภิเษกเจ้านั้นต้องนึกถึงความสมัคคีเป็นที่ตั้งเลยประเดียวนเออน่เพราะว่า คนเราจะอยู่คนเดียวคนไม่ได้มันต้องอยู่มีหมู่มีคณะเอาคันมีหมู่หดอึดอัดว่เาเดี๋ยวคนนู้นว่อย่างนู้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ก็เราก็ต้องอารมุมอรวยหากันแหละ เพราะว่าหลายคนก็หลายนิสัยบุญกรรมแต่งมาไม่เหมือนกันอย่างนั้นผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีนโยบายพูดที่เหตุผลต่างๆให้เพื่อนฟังกันอย่างนั้นอย่าไปใช้อารมณ์ใส่กัน เมื่อขัดข้องมองใจอะไรก็มีกันมาก็ดีก็ต้องแก้ไขโดยการวิจารณญาณพิจารณาถึงเหตุที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาจากเหตุอะไรอย่างนี้นะมันต้องมีแหละเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งมันก็ต้องมีมูลมันแหละอั น, นั้นเราต้องสาวหามูลเหตุมันให้ได้ เมื่อพบมูลเหตุแล้วกคิดหาทางแก้เมื่อก็เห็นสิมันไม่เหลือวิสัยหรอกโลกสันิบาตนี้มันไม่เหลือวิสัยปัญญาของบุคคลแต่มันเหลือวิสัยสำหรับคนที่ไม่ไม่ใช้ปัญญาไม่ได้อบอรมปัญญาให้เกิดขึ้นเอนี่ให้ตระหนักให้มากทีเดียวคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญา แล้วอย่างนี้ทําอะไรมันก็ไปตามหน้าของกิเลส ด, ดังที่แสดงเรื่องอคติทำสี่อย่างให้ฟังมาแล้วนั่นแหละที่จิตมันจะเอ็นเอียงไปอย่างนั้นก็เพราะมันอาศัยกิเลสเหล่านั้นแหละเป็นมูลเหตุอบุคคลไม่ได้ละกิเลสเหล่านั้นเหตุนั้นน่มันจึงได้ ไว้ไปตามสิ่งกระทบกระทั่งต่งตางๆอันมันเป็นเหตุที่จะให้แตกสามาคัคคีกันอย่างนี้นั่นแหลถ้าผู้รู้ทำแล้วก็อย่างว่ามันต้องทําความสามาคัคคีกันให้ได้ไอาการทะเลาะวิวาทกันนี่มันก็เกิดจากคําพูดถ้าทําตัวเป็นคนพูดน้อย ไม่พูดมากเสียเช่นนี้เรื่องทะเลา ะ, ะ, ะวิวาทกันไม่มีนะไม่มีให้สังเกตดูอันที่มันทะเลาะวิวาทกันนี่ยมันเรื่องจากว่าพูดมากนะเมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งอดไม่ได้กัพูดบ่นพิไลรลําพันไปบ่นเพอ้อไปต่างๆนานานะอ่บ่นกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าไปอคนอื่นก็ ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็อดไม่ได้ก็ต้องโต้ตอบกันไปนี่เรื่องทะเลาะมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าว่าต่างคนต่างเมื่อได้รั บ, รบของหรือเทือนบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันก็อดกั้นทนทานไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเราพยายามกำหนดละอารมณ์นั้นอยู่ภายในใจโดยคิดเห็นทางปัญญาว่า อันนั้นนันก็เป็นสังขารทั้งส่วนดีและส่วนชั่วอันสังขาร น, นี่ก็ดีเพราะฉะนั้นขึ้นเสว่าสังขารและที่เที่ยงไม่มีนี่อเรื่องดีก็ไม่เที่ยงเรื่องชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นชนีดจะไปถือมันไว้ทําไมจะไปเสียใจดีใจกับสังขารทั้งหลายที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทําไมเราต้องเดินทางปัญญาวิปัสสนาอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่มีอะไรหรอกอยู่ในใจแบบนี้นะเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่อย่างยืนแล้วเราก็ละมันไม่ถือมันด้วยเรามันก็ดับไปเรื่องตัางๆันเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ตามเรื่องจิตเราไม่หวนด้วยไปตามแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีพษิษมีสงอะไรเลยเนี่ยเรต้องพากันพิจารณาให้ลงถึงวิปัทนายานณทุกสิ่งทุกอย่าง เราสามารถบำเพ็ญได้นี่เป็นนักปวดอ่ะไม่มีธุระการงานยุ่งยากอะไรอ่ ะ, อะมันนั่งพิจารณาเพ่งตรีตองอยู่ในใจข้าตนได้ตามสบายเลยสำหรับเป็นครึงหัสนั้นนะมีกิจกังวลห่วงใยสำหรัร์การทำมาหาเรี่ยงขีดมันจึงหาความสงบได้ยากเลย เป็นเช่นนั้นไอเราเป็นนักบวชนี่นับพอได้โอกาสเต็มที่แล้วที่เราจะทำใจให้สงบระ ง, งับที่จะฝึกใจให้นักแน่นให้มั่นคงก็เคยพูดอยู่แล้วว่าคนทั้งคนนะมีใจเท่านี้เองเป็นแก่นนะร่างกายมันจะมีแก่นฐานอะไรเล่ามีแต่ํำรุดทรุดโทมไปที่สุดก็แตกกับทําลายไป อย่างนี้เราจะมาหวงยังจะมาหวงเห็นร่างกายอันนี้อยู่หรือนี่ก็ต้องถามตัวเองหนึ่งมันนะใครไม่รู้จักตั้งปัญหาถามตัวเองอความรู้จริงเห็นแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นได้เป็นงนั้น <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันพิจารณาลงไป อมูลเหตุที่จะให้เราปองรองสมคีกันอยู่ได้นั่นก็เพราะต่างคนต่างละกิเลสในหัวใจของตนออกไปอย่างที่ว่านี่นะต่างคนก็ไม่ยึดถืออารมณ์ต่างๆดีก็ดีชั่วก็ดีดีมาเราก็พิจารณารับรู้ไว้เท่านั้นแล้วมันก็ดับไปนะเรื่องดีนั้นนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่ไม่มี มันมีแต่เพียงอยู่ในความรู้สึกนี้เท่านั้นเด็กแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันดับไปแล้วมเมื่อเราพอใจในความดีมเมื่อนึกถึงความดีเห็นความดีบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็อิ่มใจในความดีนั้นแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ดับไปแต่จิตใจของเราก็ดีเบิกบาน เพราะความดีนั้นมันทราบซึ้งอยู่ในจิตใจมันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าผลนี่นะไอ้ความ ส, สบายใจความไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจก็เนื่องจากมีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงในสังขารต่างๆดังกล่าวเมื่อนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าผลของวิปัสสนานั่นแหละความ รู้สึกเป็นปกติภายในจิตใจนั่นนะใจไม่วอกแวกไม่วันไวไอ้โลกนี่มันจะวันไวไฟมาง่างน้นหนาก็สร้างโลกแต่จิตใจผู้เจริญปัญญาเบิสนาเห็นแจ้งแล้วจะไม่วันไวไปตามโลกเนี่มันต้องรู้เท่าอย่างนี้ผู้เราปฏิบัติทำอย่าไปนอนหลับทับติดอยู่เฉย เราควรที่จะรู้ได้แล้วก็รู้ไม่ได้นี่ยมันก็น่าเสียดายควรพิจารณาให้มันรู้ได้แต่ความจํำนะมันมีทุกคนนะแต่สําคัญที่ความรู้วันนี้นะนั่นเองความจํามันยังไม่เป็นของไม่ยังยืนอะไร อ, ะอ่ะนั่นเองเพียงไปจําได้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกครั้งนั้ตาอย่างนี้นะใครๆก็จําได้ทั้งนั้นแหละแต่แล้ว ความรู้อันนี้ความจำอันนี้มันไม่ซึมซาบเข้าสู่จิตใจมันไม่กลายเป็นงานความรู้เมื่อใดแล้วมันยังพึ่งไม่ได้เลยพึ่งความจำหมายนี่นะมันยังจะบรรดาลให้เรามีความสงบสุขสบายไปสมอมเสมอไม่ได้ต่อเมื่อเราได้น้มอมอ น, นิจจังทุกครั้งาตาี้เข้าไปสู่จิตคือความรู้สึกอันนี้ให้ได้แล้วเพ่งอยู่ในนั้น จนว่าความรู้ความเห็นอันนี้มันซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้อย่างนี้นั่นแหละมันถึงอุ่นใจได้เลยแบบนี้อ<ม>อะไรมากระทบกระทั่งเข้าก็มองเห็นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกเวลาไปเลยแบบนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นว่าเป็นของเที่ยงอะไรเลยนี่เราต้องฝึกจิตใจอย่างนี้นะฝึกให้มันเกิดความรู้ความเห็นรวดเร็วอย่างนี้ อย่าให้กิเลสมันมาชิงจูงใจให้วันไหวไปตามเรื่องนั้ น, น, นเสียก่อนอา้าไอ้ปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นสักขีพยานเฮ้ยเรื่องนั้นเป็นอนิจจังทุกขังนาตาของกันจะไปวันไวกับมันทำไมอย่างนี้นะปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่วันไวแล้วมันรู้แจ้งจมปัญญาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ที่คนส่วนใหญนะ่น่ะมันก็ตรงกับคำโบราณท่านว่าว้ว่ า, วาปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันนี้นับว่านับว่าเป็นจริงเสียเป็นส่วนมากทีเดียวคนเรียนรู้จำได้มากมายจำคำสองมุทิเจ้าได้มากมายแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็ยังไปดื่มเหล้าเมาสุรา กัญชายาผินอะไรมีอยู่นะคนพี่มีความรู้วงมากก็ดีพี่ว่าเป็นผู้เป็นนักปรารถนเป็นคารืหัดจะเป็นนักปราดถนาเขาเรียกอาจารย์อาจารย์อย่างนี้น ะ, ะก็ยังไปชอบดื่มเหล้าเมาสุราอยูอ่เหมือนในฐานะที่ตนมีเกียรติมียศอย่างนั้นใครก็ไม่กล้าแตะต้องไม่กลา้า วิจาร์ว่ามันผิดไม่ดีก็เลยได้ใจใหญ่ก็ดื่มเพื่อนผงไปเยี่ยมเยียนก็เอาเปิดพิซกี้บัรลัน์ดีอะไรเลี้ยงกันอยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละติดสันว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วนี่ อร้างเสร็ของหมื่นเมา้มันมีบาปมันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้นะเพื่อนก็ถือว่าไม่เป็นบาปก็ล่ำกันอยู่พอพนั้ น, นการฆ่าสั ต, ตว์ตัดทิตอย่นี่พระองค์ก็ตัดว่าเป็นบาปอย่ น, นี้ก็กดฆ่ากันอยู่อย่างนั้นนี่นี่แสดงว่าไม่สนใจในเรื่องบาปกรรมเลยก็เหตุ ด, ดังนั้นพระศาทธรายังตัดว่า พระองค์ได้รู้แจ้งแล้วทั้งโลกนี้โลกหน้าทั้งนรกสวรรค์นิพพานอันในนรกนั้น่ะทรงรู้แจ้งแล้วมองเห็นสัตว์ที่ไปตกนรกนั่นแออัดยัดเยียดกันอยู่เหมือนเข้าวสารยัดอยู่ในถ้อันนี้มีอยู่ในตำราจริงๆเลยทีเดียวอมันเป็นงั้นเอาใครไม่เชื่อก็ตามผู้ใดเชื่อแล้วก็เวน้นเว้นบาปเป็นโทษทั้งหลาย แล้วก็จะไม่ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนกับสันยัตไทยอย่างที่ว่านั้นอืผู้ที่ตื่นตัวผู้ที่รู้สึกตัวเชื่อเพราะปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ยมีน้อยเหลือเกินนะอมืมีประมาณน้อยมากทีเดียวะก็องค์เจ้าจึงเปรียบได้ว่าผู้ขึ้นสวรรค์เนีเหมือนเขาวัวผู้ที่ตกนรกเหมือนกับขนวัวอันนี้ก็มีอยู่ในตำราเหมือนกัน นี่แหละมันก็เราก็เห็นกันได้อยู่แล้วในโลกอันนี้ผู้ที่สนใจที่จะละบาปบาเพ็ญบุญนี่ทั้งที่เป็นพระก็ดีเป็นเนรก็ดีเป็นเครือหัดก็ดีก็มีน้อยเต็มทีนะอย่างว่านี่แหละอันนี้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันที่จะเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารจริงๆแต่ยังหา อยู่ที่สงบสงัดเจริญ ร, รมถะวิปัสนาเพื่อระงับกิเลสตัณหาภายในจิตใจให้เบาบางนะั้นหมดไปสิ้นไปอย่างนี้มีน้อยเต็มทีนะนั่นแหละดังที่เราก็เห็นกันอยู่นั่นแหละเอาผู้เป็นคราวาครองเรือนก็เหมือนกันนะใอ้เพื่อการทำบุญทำทานเป็นครั้งเป็นคราวนั้นนีมีดาดืดินอยู่นะั่นแหละทั่วประเทศนี่แหละ บุญดามประเพณีอย่างนั้นมันก็ได้แค่กินกินทานทานเท่านั้นเองนะไอเรื่องศีลอย่างนี้ไม่ไม่ได้คิดถึงคำนึงหาเลยแล้วก็ว่าตนล้วถือบุทธศาสนาอย่างนี้นะนี่มีอยู่มากมายทีเดียวแหละบุคคลพวกนักกล่าวมานี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มันเป็นตกนรกแ อ, อจะเจียดกันอยู่ยังไงเล่า เพ า, าเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลแล้วมันก็ไปทำบาปแล้วมันก็ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการกล่าวอุบายดื่มสุราเมลัยกัญชายาผินเฮโรอีนเมื่อไปทำบาปเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้วไม่ไม่เห็นโทษแห่งการทำบาปนั้นมีแต่าทามันเรื่อยไปไม่นึกว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้ นั่นแหละพูดเช่นนั่นแหละบาปกรรมจะนำไปสู่นรกนะถ้าผู้ใดเมื่อยังหนุ่มแน่นยังไม่ทันได้รู้ธรรมะสมโมยอย่างจริงจังกำลังคึกขนองกำลังตกเป็นธาตุของกิเลสปัญหาก็ได้ทาบาปมาบ้างแล้วบัดนี้พอมาถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่รู้สึกตัวแล้วอย่างนี้ เห็นโทษของบาปกรรมลงนั้นจริงกดบ่ายหน้าเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติธรรม้าไปสมาทานมั่นในสินลงอย่างนี้แล้วก็ภาวนาอธิษฐานใจละบาปกรรมที่ทนกระทมานั่นอยู่เสมอเสมอเกือบแทบทุกวันไปอย่างนี้นะเออแต่ก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามันเป็นบาปอย่างนี้บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้ว ขออธิษฐานใจละเว้นเลยไม่ทําอีกต่อไปแล้วบาปอันไดที่ข้าพเจ้าได้กระทามาก็ขอจงระงับดับไปเป็นอาโหสิกรรมไปข้าพเจ้าเบื่อแล้วเห็นโทษของบาปแล้วไม่ชอบใจกับบาปแม้แต่น้อยหนึ่งเลยบัปัจจุบันนี้ว่า ง, งั้นเมื่อใจไม่ชอบแล้วปัดออกไปเรื่อยๆอย่างนี้แนละ้มันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรบาปอีบาปที่เป็นชนิดลหุกรรมกรรมเบานะ ไอชนิดคารุกรรมกำหนักนั้นแม้จะปฏิเสธอย่างไรเพียนละอย่างไงมันก็ไม่หมดไปจากจิตใจได้มันต้องนําไปสู่อเวจีมหารกจนได้เช่นอนันตริยกรรมห้าอย่างมีมาสุขากด์เป็นต้นดังกล่าวดานี้เคยแสดงอยู่บ่อยๆ อ, อยู่แล้วอันนี้นะเมื่อบุคคลไม่ได้ทําถึงอนันตริยกรรมอย่างนั้นทําแต่ลาหุกรรม พอรู้สึกตัวได้แล้วอย่างนี้ก็ตั้งใจฝึกฝนอุรมจิตใจของตนให้ห่างไปจากบาปอากุศลเหล่านั้นเช่นอย่างเห็นเขาฆ่าสัตว์ชีวิตก็ไม่ยินดีกับเขาเลยก็ยังฟงสังเวชลงไปอ๋อบุคคลผู้ไม่รู้นะมันก็ทำบาปเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่นี่แล้วท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านยมเว้นท่านยมไม่ทำ แม้ตัวเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ทำต่อไปอีกนี่อันบุคคลผู้ละเวน้นบาปมันต้องเป็นอย่างนี้เห็นเขาไปละลาบละร่วมเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นอย่างเขาปลูกพืชพันธัญญาหารไว้ในไร่ในสวนเห็นมองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของเ้าก็ไปเก็บไปเอามา อ่กินบ้างคล้ายบ้างหูนี้นะแล้วแล้วคนอื่นเห็นเข้าอย่างงี้ก็ประเชือนทวมยินดีกับเขาว่าเขาสา ม, มารถอสา ม, มารถลักเอาของผื่นมาได้บางคนไปอย่างนั้นนะเห็นเขารักเอาของผื่นมาได้ก็ดีอกดีใจขอบ้างอ่ ะ, อะเขาก็แบ่งให้บ้างนั่นได้ชื่อว่าได้รับส่วนแบ่งจากเขาแล้วผู้นั้นนะ่ะ อันนี้มันต้องรู้ไว้นะสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะนำตัวของเราให้ตกต่ำไปสู่นรกอบายภูมิเลยเราได้มาปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนี้ระลึกแล้วเช่นนี้ เราควรจะถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆให้ได้เป็นนักบวชก็ต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้โทษทั้งหลายเกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนเป็นครือหัดก็ต้องพยายามระมัดระวังเมื่อตนได้อธิษฐานใจละเว้นบาปกรรมแล้วถ้าไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็เผลอไปทําอีกได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงว่าศีลทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่สติเมื่อบุคคลมีสติสมัมปชัญญะแล้วก็มีศีลได้ถ้าขาดสติสมัมปชัญญะแล้วศีลก็ขาดไปด้วยกันเพราะว่าจิตใจนี่มันต้องมีสติสมัมปชัญญะควบคุมประคับประคองอยู่จึงไม่ตกไปในที่ต่ำที่ชั่วกิเลสบาปธรรมจึงครอบงำไม่ได้อย่างนี้ ถาหาว่าจิตที่ขาดสติสมบัต ญ, ญาตแล้วกิเลสบาปธรรมก็ครอบงำจิตใจบัญชาจิตใจให้ใช้กายทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมานั่นแหละขอให้เข้าใจดังนั้นผู้รักษาศีลต้องเป็นผู้มีสติสมบัติ ญ, ญาต้องระลึกถึงตัวถึงการกระทำถึงคำที่พูดของตนอยู่เสมอระลึกถึงจิตใจตัวเองว่าเป็นปกติอยู่ หรือว่าใจนี่มันเอียงไปข้างบาปข้างอากุศลต่างๆโมนี่ก็ต้องกำหนดรู้แล้วต้องอาศัยสติระลึกกวดดูเสมอเสมอเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมมีศีลได้สม่มเสมอไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเพราะว่าเมื่อมีสติประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ใน ศินในธรรมอันดีงามเลยอย่างนี้แตจิตนี้มันก็จะไม่ใช้กายวาจาทําชั่วพูดชั่วดังกล่าวมานั่นเลยมันก็จะใช้กายวาจานี้ทําแต่ดีพูดดีเรื่อยไปเนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคําว่าปฏิบัติธรรมนี่ก็ฝึกษษษสติสมัมปชัญญะนี้ให้แก่กล้าเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวหอออให้เข้าใจผู้ บวชเข้ามาในพุทธศาสนาใหม่ๆก็อดีเก้าข้อดีอย่าไปลืมข้อปฏิบัติอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญนะถ้าบุคคลไม่สํารวมในสติ ส, มสัมปชัญญะแล้วแม้จะมีความรู้มากรู้หลายอย่างไรมันก็เอาตัวรอดจากบาปจากโทษไม่ได้เลยเพราะว่าจิตนี้เมื่อไม่มีสติ ส, มสัมปชัญญะ พอขับประ ค, รคองอยู่แล้วมันก็ตกเป็นทาสของตัณหาเนี่ยตัณหามันก็บังคับให้จิตคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไปใส่กายวาจาทําชั่วพูดชั่วไปเช่นนั้นเละอืยดังนั้นนะ่ะผู้ใดจะมีความรู้หลายบ้างใดก็ต้านทานต่ออํานาจของกิเลสบาปธรรมไม่ได้เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะประครับประคองจิตนี่ไว้อื เช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลผู้อยู่ปราศจากสติคือระลึกไปทางอื่นไม่ระลึกเข้ามาดูกายดูใจเขาตนเสมออย่างงี้นะสมมติว่ามีใครมาด่าว่าตีเตียนเข้าไปกระทันหันเข้าไปอย่างงี้นะเอ้าวสติมันไม่ได้อยู่กับกายกับจิตนี่มันเมาแต่ระลึกไปทางอื่นมันโกห้ามจิตไม่ทันเลยความโกรธมันก็ดันขึ้นมาทันทีเลยเอก็โกรธตอบคนนั่นไป ถ้าทะเลาะวิวาทกันไปก็เลยเสียสินไปทั้งสองฝ่ายเป็นคนเสียสินข้อนั่นจะแล้วออพอว่าคนผู้ที่โกรธขึ้นมาอย่างนั้นนะมันพูดปดได้วันยังค่าเลยนะเขายกโทษจนว่าพูดนะ น, นะเอทําไม่ดีต่อฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะพูดไม่ดีต่อฉันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะ อังนีตนก็พูดจริงๆแล้วก็ปฏิเสธเขาว่าฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ทำนี่เมื่อมันโกรธมาแล้วมันไม่ยอมรับความผิดอะไรโกโหกได้วันยังคํำเลยแล้วอย่างนี้จะไม่เป็นบาปเป็นโทษยังไงเล่าถ้าพูดที่รักษาศีลจริงมีความสัตย์ความจริงจริง ๆ, ๆอย่างนี้แล้วถ้าตนเผลอไปพูดผิดพูดพลาดไปกระท่องกระทั่งผู้อื่น ยิ่งอย่างนี้นะเมื่อเขาปัดท่วงมาอันนี้เราก็ยอมรับมันยอมขอโทษเขาเมื่อเมื่อเรายอมเขาแล้ว ด, ด้วยดีแล้วขอโทษแล้วเขาก็ย่อมให้อภัยจะโทษไปแล้วโทษด้านก็ย่อมไม่มีทั้งสองฝ่ายเลยออย่างนี้นะมันก็เป็นผลดีสิดีกว่าไปถือที่สีมานะปิดบังความชั่วของตัวไว้ไม่ยอมรับความผิดความพลาดที่ตนทําตนพูดไป อย่างนี้ไม่ดีเลยออผู้ปฏิบัติทำต้องให้เข้าใจอย่างนี้การยอมรับผิดยอมรับความผิดความพลาดอนั้นไม่ใช่เป็นทางเสียเกียรติเสียยศเสียหายอะไรเป็นทางที่ดีซะด้วยพววเพราะตนจะได้ละความชั่วอั น, นันถ้าตนไม่ยอมอย่างว่านั้นตนก็ยึดถือเอาความชั่วอ น, นันตไว้ ยึดถือเอาความโกรธความอิจฉาหิษยาสนั้นไว้ในใจเรื่อยไปแหละแล้วอย่างนี้นะมันจะค้นทุกได้ยังไงอ่ะอคิดดูให้ดีฉะนั้นอย่าไปเพ่งเลงไปยังอื่นรลยการปฏิบัติธรรมนั้นนะให้พยายามฝึกสติสมัชย ญ, ญาให้แก่กล้าขึ้นในกายวาจาจิตนี่ไนงะให้รู้เท่าทันการทำการพูด การความคิดของตัวเองเอา้าถ้าตนคิดผิดมีสติใกล้คิดอยู่ยนี่มันก็รู้ทัว่วเอา้านั่นคิดผิดแล้วไม่ใช่อต้องงดี่เมื่อสติเตือนจิตอย่างนี้มันรู้ทั่วแล้วมันก็งดได้สินั่นแหละมันก็งดออันนั้นเห็นผิดแล้วอย่างนี้ไม่ควรดําเนินตามอย่างนี้ มันก็ไม่ดําเนินตามเพราะมันเห็นไปมันเห็นผิดแล้วมันรู้ตัวว่าเห็นผิดเอมันก็ไม่ดําเนินตามเลยอย่างงี้นะเออถ้าทําอย่าง น, นะออาางนี้พูดอย่างนี้ไปมันจะทําผู้อื่นให้เดือดร้อนนะอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ทําไม่พูดแล้วออนี่เลยว่าคนมีสติต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคนขาดสติแล้วไม่เป็นเช่นว่านั้นนะอือ เมื่ออะไรกระทบกระทั่งไม่พอใจมาแล้วก็สแสดงออกทางกายวาจาให้คนทั้งหลายได้เห็นเลยว่าตนไม่พอใจกับผู้นั้นกับสิ่งนั้นอย่างนี้น ะ, สะแสดงออกมาแล้วไม่ละอายใครแล้วไม่กลัวว่าใครจะติชินอินทาไม่กลัวว่าเรื่องมันจะลุกลามใหญ่โตไปแล้วจะถึงซึ่งความจิบหมายทั้งสองฝ่ายไม่ได้นึกเลย อย่างนี้แล้วนั่นแหละความขาดสติสัมปชัญญะความขาดการระมัดระวังสำรวมตนนะมันเป็นทางแห่งความเส่ิมแห่งชีวิตชีวิตจะตกไปในเหวแห่งความทุกข์แน่นอนทีเดียวไม่ต้องว่าแต่ชาติหน้าและชาตินี้หละย้อมได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั่นแหละขอให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งที่ บุคคลได้กระทาลงไปหรือพูดไปคิดไปแล้วอย่างนี้นะหากว่าใจไปยึดถือไว้มันก็เป็นตัวกรรมมันก็เป็นตัวกรรมนําดวงขิดดวงใจไปอยู่อย่างนั้นแหละออมันก็ทําให้หนักใจทําให้ใจเศร้าหมองคุณมัวหาความสบายได้ยากนี่นะกรรมชั่วที่บุคคลทําแล้วยึดถือเอาไว้ ไม่อธิษฐานใจละเว้นน ะ, ะมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ไว้อันกรรมวิธีที่เราจุดตรงละความชั่วอันนี้ถ้าหากว่าไปทำสติให้ห่างๆเข้าไปแล้วอย่างนี้นะไม่ไหวอะ่ะเมื่อความชั่วมาถึงเข้าแล้วก็จิตใจมันก็ยึดถือเอาไว้ก็วันไว้ไปเสียแล้ว เผื่อว่ามันจะมาระ ง, งับความชั่วนั้นออกจากใจได้นี่ก็ต้องอืมต้องกินเวลาอบางคนก็เลยไม่ระ ง, งับซ้ําเลยปล่อยเลยทําเลยเมื่อมันโกรธมากก็ป่อยมันโกรธไปจนแล้วมันเหนื่อยแล้วมันมันระ ง, งับไปเองอย่างนี้นะออนั่นแหละมันระ ง, งับไปเองนะอืลองคิดดูทุกคนต้องคิดดูมันเป็นไหม ตัวเองตัวเราเป็นไหมอย่างนั้นนะหรือไม่เป็นธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมตัวอยู่เสมอเสมอพอมีเหตุร้ายมาถึงเข้าเราก็รีบสติก็ห้ามจิตทันทีสัมปชัญญะก็รู้ตัวทันทีว่านี่เรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอาเออ เมื่อสมปัญญาเตือนตอนเข้าไปอย่างนี้เนาะจิตมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือไม่ยินดียินร้ายไปตามล่ะเรื่องเหล่านั้นมันก็ดับไปนี่นะอันข้อปฏิบัติอันนี้นะสําคัญมากให้พากันใส่ใจใมมากไอ้บุคคลที่จะเดือดร้อนอยู่ไม่รู้จักหายนั่นก็เพราะสติมันห่างอดลึกไปภายนอกนั้นไม่ไม่ไมสารวจกรวจการดูกายวาชาจิตของตน เผื่อว่าเรื่องอะไรกระทบเข้ามาแล้วจิตใจยึดถือเอาแล้วเผาตัวเองให้เดือดร้อนพลเรงแล้จึงรู้ตัวเช่นนี้แหละมันไม่ไหวแล้วมันเดียวมก็ไปกระทบคนอื่นเข้าไปแล้วลิ้แห่งความชั่วอันนั้นนะมันไม่ได้อยู่แต่ในตัวอย่างเดียวนะอืมันก็รุกรามไนะคนอื่นมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นนะี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาเนะ่ะต้องมีสติสัมปชัญญะ กำรู้ตัวเสมออย่างที่ว่านี่แหละ ย, ยืนเดินเดินั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมตัวบางคนก็มักฉุนเฉียวในเวลาทำการงานเหน็ดเหนื่อยขาที่ตนไม่มีสติเมื่อทนไม่มีสติระวังจิตใจแล้วมีใครมาพูดกระทบกระทั่งหรือแสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อ นั่นแหละมันว่าจะฉุนเฉียวขึ้นในเวลาเช่นนั้นนหะนี่ต้องระมัดระวงังผู้ปฏิบัติธรรมมระวังให้เข้มงวดทีเดียวเวลาทําการงานอยู่กับหมู่กับเพื่อนอะไรหมดนี่นะต้องระวังความกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันถ้าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผลอเข้าไปแล้วฝ่ายหนึ่งไม่เผลอรู้ตัวก็ให้อภัยกันไปไม่ถือสาไม่แล้วก็ ฝ่ายหนึ่งก็ส ง, งบลงไม่แสดงกิริยาอะไรออกมาแล้วเรื่องมันก็ระ ง, งับไปเองนี่คนมีสติสัมปชัญญะยอมบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้ประโยชน์ตนตนก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วตนก็ไม่ได้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้รักษาตนผู้สํารวมตนอยู่ด้วยดี จึงเชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างนี้นะให้เข้าใจกันถ้าผู้ใดไม่ฝึกอย่างที่ว่านี้นะแม้จะปฏิบัติไปอย่างไรเอาทำความเพียรคืนยั่งลุ่งไปยังไงก็ช่างนะมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกอ่ไม่ค่อยได้ผลองคการที่มันจะได้ผลน่ะนะ เราต้องมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาประไซอะไรเราก็มีความเพียรสำรวมจิตใจอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสำรวมใจห้ามใจได้แล้วมันก็ห้ามกิริยากายห้ามกิริยาวาจาได้ไม่ผิดไม่พลาดเข้าสังคมไหนสังคมนั่นเขาก็ไม่รังเกียจเพราะผู้นั้นแสดง กิริยามารยาทสม่มเสมอต่อสังคมไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์แก่ความไม่พอใจต่างๆนาน า, นา อ, อะไรกระทบกระชั่งเข้ามาก็รู้เท่าทันได้กำหนดละได้ไม่วันไว้ไปตามอย่างนี้นะมันก็จึงสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิโยเดวามนุษส้านัง มะนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนี้นี่ก็พากันจดจำอภุทธภาสิทธินี่ไว้แล้วไปปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเราอยู่ต้องมีหมู่มีคณนนะรวมกันอยู่ช่วยกันจัดช่วยกันทา ในในในสถานที่อยู่ของเราช่วยกันจัดช่วยกันทำเพื่อยังชีพให้เป็นไปอย่างนี้นะถ้อยทีถ้อยก็อาศัยกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นการปฏิบัติธรรมมันก็จเจริญรุ่งเรืองไปได้นี่มันก็ก้าวหน้าไปได้เพราะมันไม่มีเรื่องขัดข้องมองใจอะไรกัน มองดูใครก็ดีต่างคนต่างมองกันด้วยจิตเมตตาทั้งนั้นเลยป่ะนี่มีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันในการปฏิบัติธรรมในการละความชั่วทำความดีอย่างนี้นะหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งหกักพังเผลอกระทบกระทั่งอีกผู้หนึ่งผู้นั้นรู้ตัวอยู่ก็ให้เอาภัยไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหะ ถ้าไม่ยอมให้อภัยกันก็อย่างว่ามันก็ได้ทะเลาะกันคนเรานเป็นอย่างนั้นดังนั้นคําว่าให้อภัยนี่เพราะว่าในทางธรรมะอันลึกซึ้งลงไปก็ได้แก่เราละอุปท า, านความยึดปั้นถือมัน่นในกิเลสต่างๆนั้นเองแหละมันก็เป็นอุบายละอุปท า, านความยึดมั่นถือมัน่นในกิเลสต่างๆไปในตัวนี่ก็ดีที่ เมื่อมีผู้กระทบกระทั่งเข้ามานี่เราจะได้ทดสอบกําลังใจของตัวเองว่าตนได้ละกิเลสชนิดนี้มากี่มากน้อยเท่าไหรแล้วแต่ถ้าตนได้ละมันมามากแล้วอย่างนี้ถูกกระทบกระทั่งพอดีพอลายนี่มันไม่ตื่นเต้นอะไรมันไม่งุดหงิดอะไรอย่างนี้นะถ้าเอารุนแรงจริงๆมันจึงค่อยงุนหงิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็รู้ตัวได้ถ้าเราสังเกตตัวเองอยู่นะ มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะได้เห็นหน้าเห็นตาของกิเลสมาเนี้แต่เมื่อเวลาปกติดีอยู่นี่นึกว่าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรเนึกว่าตัวดีอยู่งี้นะนี่นะถ้าว่ามีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างว่านั่นเลยอ้าวถ้ากิเลสมันยังมีอยู่มันก็แสดงออกมาเลยวันนี้นะเกิดความรู้สึกผิดปกติขึ้นมา ตนก็รู้ได้ว่าอ๋อ ก, กิเลสพจนินยังอยู่ไม่ใช่ว่าเราละมันหมดเนี่ยเราก็จะได้พยายามละกิเลสอันนั้นไปสิวันนี้นะอใช้ปัญญาสอนใจเห็นโทษของกิเลสอันนั้นอือย่างว่าความโกรธอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้มันเห็นโทษของความโกรธความพยายามความเบียดเบียนต่างๆมันนี่ล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นโทษ หาคุณหาประโยชน์น้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะ่ะนนเมื่อกิเลสอันใดนะั้นมันเกิดขึ้นในใจแล้วเราใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปยกเหตุยกผลต่างๆมาใ ห, ห้ให้จิตนี่ได้รู้ได้เห็นว่ากิเลสนี้ชนะิด น, นี้มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้แหละควรเบรื่อคนนายอย่างนี้เมื่อจิตมันเห็นจริงนี่มันก็เบื่อน่ายที่แห่งนี้เบื่อนาย โอ้กิเลสตอนนี้มีโทษอย่างนี้จริงๆทำให้เป็นทุกข์ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้จริงนอกจากตนเองเป็นทุกข์แล้วก็ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย อ, อย่างนี้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันเบื่อหน่ายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็ขายความยึดถือมันก็ไม่ยึดไม่ถือไว้กิเลสนั้นมันก็ดับไปนี่นะนี่ละวิธีละกิเลสให้เข้าใจ ก็พูดสั้นๆว่าเราละกิเลสด้วยสมถะวิธีด้วยปิปัตนาวิธีสมถะวิธีก็เราเพิเกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรมาถึงเข้าเราก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริง สิ่งใดควรวางก็ปล่อยวางได้เลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วสิ่งใดควรกำหนดรู้ไว้ควรทำก็ทำได้เพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้นะนี่แหละจึงว่าสรุปลงแล้วว่าการละกิเลสนี่ต้องละด้วยสมถะวิธีวิปัสสนาวิธีมันจึงจะได้จะไปละโดยวิธีอื่นไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนนะ มีสิทธิ์ที่จะเจริญวิปัสนาได้ะจะเจริญสมถะและวิปัสนาได้ทั้งนั้นเลยว่าแต่ตนมีศรัทธาจะเป็นคารืหัดก็ดีเป็นนักปวชก็ดีย้อมทำได้ทำไมมจะทำไม่ได้จิตก็คือความรู้สึกนี่อาศัยอยู่ในหัวใจในลูกหัวใจนี่นะนั่นแหละ มันมีทุกคนนี่ผู้ครองเรือนก็มีพูดเป็นทังบวดก็มีอย่างนี้นะแล้วเมื่อตอนมาพี่นาเห็นว่าจิตตรงนี้แหละสำคัญนะจะเป็นคนดีก็เพราะทำจิตให้ดีจะเป็นคนชั่วก็เพราะปล่อยจิตให้ชั่วให้เลวไหลเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควบคุมที่วันนี้นะนั่นเนี่ยเขาพยายามฝึกสติสมัมปชัญญะควบคุมจิต ทำความรู้จิตนี่เสมอเสมอไปหากห้ามจิตนี้ให้ได้เวลามันกระทบกระทั่งเรื่องอะไรต่ออะไรมาเราก็มีเสียห้ามจิตไว้ให้ได้อย่างนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อห้ามจิตได้มันก็ไม่ได้ทำชั่วอลยวแบนี้นะไม่ได้ทำชั่วไม่ได้พูดชั่วเป็นอย่างนั้น เมื่อห้ามจิตได้มันก็ละอารมณ์อ น, นั้นได้ก็ได้ชื่อว่าภาคเพียรพยายามละความยึดความถือในอารมณ์อ น, นั้นออกจา ก, ก จ, จิตใจมันเป็นยางนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการละกิเลสในมันยากมันลำบากแล้วไปท้อใจเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลย เมื่อเรารู้จักกรรมวิธีที่ละมันแล้วอย่างนี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะอย่างที่แนะนำมาเนี่ยก็ลองปฏิบัติดูสิถ้าผู้ใดปฏิบัติตามไปจริงๆแล้วมันจะเห็นผลขึ้นด้วยตนเองเลยจิตใจจะไม่วอกแวกจิตใจจะไม่เดือดร้อนดิ้นรนไม่เศร้าหมอง จิตใจอผ่องใสอยู่เรยไปอ่าเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะให้ให้เห็นความสําคัญว่าคนเราทั้งคนเนี่ยมีจิตตรงนี้เป็นแก่นเป็นสารเลยเราทําบุญกุศลเราทําความดีอะไรก็เพื่อจิตตรงนี้นี่ไม่ได้ทําเพื่ออย่างอื่นเลยส่วนร่างกายนี่เรียกว่าบุญกรรมมันตกแต่งมาเรียบร้อยแล้ว แม้เราจะทําบุญกุศลนี่ในปัจจุบันนี้แล้วจะอธิษฐานให้บุญกุศลนี่ตกแต่งร่างกายนี่ให้ดีให้งามให้มั่นคงกลัวเก่าไปอย่างนี้ไม่มีทางจะทําได้เอบุญกุศลนี่ก็จะไม่สามารถที่จะทําตกแต่งร่างกายนี่ให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปได้นี่ต้องให้เข้าใจอันส่วนจิตใจนี่เราสามารถ ปรับปรุงตกแต่งให้มันดีได้ให้มันสงบระ ง, งับได้ให้มันมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้นี่นะดังนั้นเมื่อผูใ้ใดคิดอย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เกลียดคล้านเลยถ้าผูใ้ใดเกลียดคล้านแล้วผู้นั้นก็ตกทุกข์ได้ยากก็จิต ด, ดวงนี้แหละเป็นทุกข์น ะ, ะร่างกายมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์ด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ไนะอ้ร่างกายนี่ มันมันไม่รู้เรื่องอะไรนะมีใช่จิตตรงเดียวเท่านี้แหละรู้นะนี่พอหมดบุญเก่าแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเลยรูปร่างกายอันนี้แม้เราจะทำบุญกุศลในปัจจุบันนี้มากมายปันใดก็ช่วยไม่ได้ต่ออายุให้ยืนยาวนานไปก็ไม่ได้นี่ก็ต้องพิจารณาลงให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อ p ็นเช่นนี้แล้ว ผู้ใดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นจะสัมรวมระวังรักษาจิตของตนเรื่อยไปเลยจะไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฐิอะไรครอบงำจิตนี่มานะทิฐิก็ไม่ใช่ย่อยนะเป็นกิเลสตัวสําคัญมากทีเดีย ว, วอ่มสําคัญมากอะมานะคือความถือตัวว่าตนนั้นเก่งตนนั้นดีอย่างนี้นะเอตนนั้นแข็งแรง นี่จะชกจะต่อยจัตตีอะไรตนก็ไม่กลัวอย่างนี้นะแล้วพูดถึงสติปัญญาตนก็เก่งตนก็มีอยู่ความรู้ไม่มียังไงนี่ที่จริงเนะี่ยตนมีความรู้แค่หางห่วกนี่หนึ่งก็ไปสำคัญว่าตนรู้ยิ่งแล้วอย่างนีนะ้นั่นแหละเป็นม า, น, านะนะทิฏฐิก็เมื่อตนเห็นอย่างไรแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในความเห็นนั้นไว ใครจะว่าไม่ดีก็ช่างไม่ยอมละเลยถือมั่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอาศัยมานะทิฏฐินี่พระศ า, ศาสดาทรงตรัสว่าทำให้สัตว์เนิ่นช้าทำให้นานพ้นทุกข์พนภัยอ่อเป็นอย่างนั้นเนื่องมานนะ่ะก็เป็นจริงสิเมื่อหากว่าเกิดมานะถือตัวถือตอนถือมั่นในความเห็นผิดอ่าฉันเห็นว่า บางคนก็เห็นว่าเช่นฆ่าสัตว์นี่ไม่เป็นบาปหรอกเพราะสัตว์เหล่านี้มันเกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์อย่างงี้นะเมื่อผูดด้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ฆ่าสัตว์ลําไปเลยทางที่มันจะละข่าจากการฆ่าสัตว์ไม่มีแล้วเอาฆ่าไปจนวันตายนู่นแหละอย่างนี้นะแล้วเช่นนี้โดยเหตุผลแล้วถ้าว่ามีผู้ซักถามว่าแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ปูปลานกหนูอะไรสรรพั์สิ่งมีชีวิตในโลกนี่มันประกาศหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มีเหรือใครได้ยินบ้างเ่าไม่มีใครตอบด้ยดอกอย่างนี้นะนั่นแหละก็จนมุมเท่านั้นเองแต่ถึงจนมุมยังไงคนที่ที่จัดคนมาหน้าจัดนี่ไม่ยอมหรอกไม่ยอมละไม่ยอมลงเลย เราต้องถือเอาสามทิฏฐิองทนไปอย่างนั้นแหละเนี่ยพระศาสดาจึงตรัสว่าสันหากับมานะและทิฏฐินี้ทำสทัตยให้เนิ่นช้าคือนานได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้นับถือบุรุษศาสนาทั้งหลายก็จงเข้าใจเสียว่าการละสันหามานะทิฏฐิเหล่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือพิสัยเลย ว่แต่เรายินดีจะละไหมเท่านั้นแหละเราเห็นโทษมันไหมกิเลสเหล่านี้น่ะนี่ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เองแต่เมื่อตนไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่า น, นี้นลมันก็ละมันไม่ได้แล้วเมืจะเป็นชาวพุทธนับถือพระศาสนายอยู่ก็าตามก็ละไม่ได้อืถ้าไปเห็นโทษของมันจริงจังลงเวลาอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ยอย่างนี้ป่าเถนาจะละมันอย่างนี้ ไม่เป็นสิ่งเหลือไปใส่เพราะตัณหาแปลว่าความอยากใครเป็นผู้อยากก็ต้องทบสวน็มาสิเอาควจิตตรงนี้จนะอยากไม่มีจิตตรงนี้แล้วไม่มีอยากเลยนมานะใครถือตัวเราบนี้เอาควจิตตรงนี้แหละถือนั่นแหละถือว่าตัวตนดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้อย่างนี้นะเอาทิสทิความเห็นผิด ใครเราเป็นผู้เห็นผิดอ่ะจิตดวงนี้แหละเห็นผิดเป็นชอบอืมไม่ยอมรับรู้คําสอนของพระติเจ้าทนเห็นอย่างนั้นก็ถือมั่นอยู่ในความเห็นนั้นก็จิตนั้นแหละถือมั่นอย่างนี้นะอถ้าหากว่าใช้ปัญญาสอนจิตนี่หาเหตุท้าผลมาให้จิตนี่ได้รู้ว่ามันมันเป็นผลทางไปสู่ทุกข์จิตมันรู้เห็น ตามปัญญาแล้วบวะนี้มันก็เบื่อหน่ายแหละเบื่อเบื่อตันหาเบื่อมานะเบื่อทิฏฐิเหล่านั้นเอเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็คลายมันก็วางลงไม่ถือเนื้อถือตัวเข้ากับคนทุกประเภทได้เลยแต่เข้าโดยมีปัญญามีสติระวังตัวแม้จะพบคนชั่วเราก็ไม่ได้ทําชั่วกับเขาเพราะเรามีสติอยู่อย่างนี้แต่เราจะไม่ให้พบกับคนชั่วเฉยไม่ได้ในโลกอันนี้นะมันต้องพบ นีเรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะหลายๆคนเนี่ยมันต้องมีแหละคนชั่วคนหนึ่งมันที่ทำลายความสงบของหมู่คณะเอา้าผู้คนดีทั้งหลายรู้ตัวแล้วก็ไม่ถือสาหาความอารักษาจิตใจตัวเองให้ดีนะผู้นั้นจะแสดงบทบาทไม่ดียังไงยังไงก็ให้เขาแสดงออกไปตามเรื่องของเข า, เ, าเราอย่าไปยื่นมือเข้าไปยึดถือเอาเรื่องชั่วของเขามาอย่างนี้นะ ต่างคนต่างสํารวมทนอยู่ด้วยดีแล้วไอ้คนชั่วนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกอ่มันอยู่ไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมันก็ดิ้นรนไปตามกรรมของมันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามีคนดียื่นมือเข้าไปต่อล่อต่อเถียงต่อกอนกับเขาอยู่อย่างนี้มันก็มันก็เอาแล้วไปกันยุ่งอยู่อย่างนั้นแหละอ่อมันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจวิธีเอ่ากำจัดคนชั่วออกจาก มูออกจากคณะไปนะเอคนนั้นจะแสดงกิริยาความชั่วยังไงยังไงแล้วก็ไม่ถือสาหาความกันเลยทําเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนั้นไปแล้วบางทีคนผู้นั้นมันอาจรู้สึกตัวได้ก็มีโอ้เรานี่มันชั่วฝ่ายเดียว่ะเราแสดงความชั่วออกไปยังไงเพื่อนก็ไม่ตื่นเส้นไม่หวนไว้อะไรเลยไอเรานี่มันชั่วคนเดียวแท้แท้อย่างนีมันก็อาจกลับเป็นคนดีได้ อย่างนี้นะนี่แหละถึงว่าความเป็นผู้อดทนน่ะย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนับว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวอ่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันบำเพ็ญขันติธรรมนี่ใส่ใจให้มากมากสมาธิจะบังเกิดขึ้นได้ก็เพราะขันติธรรมนี้เองความอดทนนี่แหละเป็นพื้นทีเดียวนะขอให้เข้าใจ ถ้าการเจริญสมถะอิปัสนานี่ขาดความอดทนเป็นพื้นฐานแล้วถึงจะมีสติอย่างนี้ก็ควบคุมจิตไม่อยู่เลยอมันไม่มันไม่พร้อมนี้สติสติเป็นได้เพียงว่าระลึกได้เท่านี้อสัมปชัญญะเป็นแต่รู้ตัวแต่แล้วทีนี้จิตเมื่อไม่มีอดทนแล้วอย่างนี้รู้ตัวมันก็รู้อย่างนั้นรู้เล้มันก็รู้ไปอยู่นั้นเลย ลูกคิดลูกปรุงแต่งไปอย่างนั้นจะรู้ตัวยังไงก็ทั้งนะเมื่อขาดความอดทนแล้วลองลองสังเกตดูผู้ปฏิบัติย่อมรู้แหละย่อมรู้ได้อืมผู้ปฏิบัติก็รู้ไม่ได้อย่างนั้นรู้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติอย่างว่านั้นเนี่ยว่าตนบกพ้องในคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คํามเพนคุณธรรมอันนั้นให้เกิดมีขึ้นในดวงกิดให้ได้ เ, เราบุกค้อความอดทนอย่างนี้นะความอดทนเรามีน้อยอย่างนี้พยายามอดทนให้มันหนักแน่นเข้าไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเนี่ยถ้าไม่อดไม่ทนเราก็เดือดร้อนเลยจิตใจนั่นนะทั้งอดทนด้วยทั้งพิีรณาเห็นความจริงของสังขารด้วยว่าเมื่อสังขารนี่มันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงได้แปรปวนอย่างนี้มันจึงวิบัติอย่างนี้ เพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราจึงบังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันเป็นมันก็เป็นไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ทําเลไงเอาก็ต้องวางเฉยสิว่านั่นต้องวางเฉยแล้วไม่ถือตัวแล้วไม่ถือขันดาวเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ามันจะเป็นยางไรก็เป็นไปมันจะแตกก็แตกมันจะดับก็ดับไปแ้วเราจะไม่หวั่นไหวมันเลยเราจะไม่เสียใจไม่ดีใจกับมันนี่ ทุกสิศทุกอย่างเนี้ว่ามันแล้วด้วยปัญญาอย่างว่านะว่าตอนสุดท้ายแท้ๆนะปัญญาและสอนจิตใจตรงนี้ม่ให้ยึดมั่นถือม่ะอะไรต่ออะไรแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายก็เบาบางจากจิตใจไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้